มาปฏิเสธในสิ่งที่ดวงอาทิตย์สองสว่างเอาไว้เนี่ยนะมันน่าสงสารขนาดไหนเนี่ยนะทีนี้สําคัญว่าคนเหล่านี้พูดอะไรแล้วคนดันเชื่อนี่สินะคนดันเชื่อพันเ้าเรียกว่าตาบอดจูงคนตาบอดอ่านะเขาเรียกว่าตาถั่วจูงตาถั่วก็เลยตวนกันตกเหวไปสู่อบายทุกติวินิบาตนารกบ้าเนี่ยนะไม่ในแช่งนะแต่ว่ามันเป็นหนทางเขาเรียกว่าเป็นทางดําเนินปฏิปทาของคนผ่านทั้งหลายเนี่ยน ะ, เ, ะเพราะเขาอะไรเพราะเขา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 มีสองอย่างมีธรรมกับวินัยไม่มีบอกคําว่ า, าพิธรรมแม้แต่นิดเดียวก็เลยออกมาต่อต้านอภิธรรมเขามีคนเขียนขึ้นมาพวกหลังๆเขียนขึ้นมาอเอาเถอะใครไปนั่งหลับตาเขียนให้มันได้เท่าอภิธรรมปีดกทําได้ไหมแค่เรียนให้เข้าใจมันยังยากเลยจะว่าไปขีดไปเขียนทาอะไรนะไอ้บางคนก็ยกจนเลยชงอีกก็ไว้สอนเทวดากันเขาบองั้นอย่างน้เขาไม่ได้สอนมนุษย์นะอภิธรรมเขาเอาให้พวกเทวดาเรียนไอ้พวกนึงก็บอกไม่ใช่พุทธพจน์เนี่ยนะ ไอ้พวกหนึ่งบอกวินัยหมดยุคหมดสมัยแล้วไอ้พระสูตรหนึ่งบอกมันใช้ไม่ได้มันก็ถามว่าคำพูดเดียร์ถีทั้งนั้นแหละอย่าไปใส่ใจเลยอันะเสียงนกเสียงกานะแต่จะพูดว่าสีเท้าไปเลยก็น่าเกลียดนะแต่มันจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเราถือเอาคำเหล่านั้นเป็นประมาณไม่ได้อยู่แล้วเป็นพวกที่พูดอย่างนี้เนี่ยเขาไม่รู้ว่าคาพูดที่เขาพูดนั้นแปลว่าอะไร เขาไม่รู้ว่าคําพูดเหล่านั้นลิ้นเครียกว่ากลายเป็นลิ้นจระเข้ดีกว่าคําพูดเหล่านั้นมหาศาลเพราะอะไรเพราะว่าคําพูดเหล่านั้นเป็นไปเพื่อทุกขเพื่อโทษเรียกว่าดื่มยาพิษให้ตายยังจะดีกว่าคําพูดเหล่านั้นก็เหมือนกับว่าปลาเนี่ยนะยอมกินอะไรก็ช่างดีกว่ากินเบ็ดใช่ไหมเห็นว่านี่ก็เหมือนกันคําพูดเหล่านี้จ่วงจาบเนี่ยนะยิ่งแบบเนี่ยเรียกว่าถ้าเป็นโบราณในชัดเจนเนี่ย ว่าถ้าผู้ใดตําหนิกษัตริย์เนี่ยถูกประหารเจ็ดชั่วโคดในในี้กษัตริย์ธรรมดานะกษัตริย์ทั่วทไปทั่วบ้านเมืองตามบ้านเมืองต่างๆเนี่ยถูกประหารเจ็ดทั่วโคดไปขุดรากเง่าสกสารมาประหารกันทิ้งจ็ดชั่วโคดเพราะถือว่าเป็นตระกูลที่เลวร้ายมากเอาไว้ในแผ่นดินไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ฉันใดผู้ที่กล่าวถ้อยคําทั้งหลายที่จ่วงจับคําสอนของ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 อบายสู่อบายก็กลายเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเนี่ยนะก็ยังดีใจว่าขออย่าได้เป็นเราเลยเนี่ยนะันคิดอธิษฐานอย่างเงี้ยขออย่าเป็นเราเลยเนี่ยนะเอาเป็นคนอื่นก็ไม่อยากให้ใครเป็นทั้งนั้นแหละแต่ที่แน่ๆอัน น, นก็พูดแบบพระเทเรซ์บอกประโยชน์ทั้งหลายมีประโยชน์ของตนเป็นอย่างยิ่งขออย่าได้เป็นเราเลยเพราะอะไรเพราะว่าใจเราก็พยายามห้ามให้มันอยู่เธอเนี่ยนะเชื่อไหมคําคนโกรธนี่มันโกรธ ด, ด้วยกันใกล้นะ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 มันก็น่าสงสารที่สุดเลยแหละพั้นเราเองก็ต้องพยายามสังวรให้ดีๆถือเอามงคลสาสี่เอาไว้ให้มันชัดๆเนี่ยนะพยายามท่องเอาไว้ตลอดวันนี้เนี่ยจะได้มงคลกี่ข้อจะอัปมงคลกี่อย่างสะดอกคราะห์ให้มดีๆเนี่ยนะสมมาทะอะไรนะธรรมสดอกครอบแปลว่าเห็นโทษโดยความเป็นโทษและตั้งใจที่จะสํารวมระวังต่อไปไม่อย่างนั้นเนี่ยนะเราเกิดห่างพระพุทธเจ้าขนาดนี้ก็น่า สงสารแล้วก็ประชาะกลุ่มชนไม่ใช่น้อยที่ทำตัวเรียนแบบหลวงตาสุพัทธะเนี่ยนะซึ่งซึ่งก็คือลูกหลานหลวงตาสุพัทธะก็ยังอยู่ตั้งอ่ะนะตั้งอ่ะเรียกว่ามันเป็นสายพันธ์อ่ะนะสายพันธ์มันเป็นโดยกรรมพันธ์ แต่ไม่ใช่ะระบบดีเอมันเชื่อมกันมานะแต่ว่ากรรมพันธุ์แห่งความชั่วราหีก็มีตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันแต่ขณะเดียวกันลูกห ล, า น, า, นน ล, กลานพระอนนุ์ลูกหลานพระมหากัะสปะที่มีอัธยาศัยเช่นกับท่านเหล่านี้ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็เลือกสายพันธุ์ให้มันถูกว่าเอาสายพันธุ์ไหนเนี่ยนะก็เรียกว่ า, าจะเลือกอริยะวงหรือว่าเลือกอะไรก็ตามใจก็เราจะเลือกวงอริยะหรือวงหลวงตาสุภธะหรือวงหลวงตา เทวทัศหรือเลือกวงไหนก็ว่ากันไปตามนั้นแล้วก็มาถามใจเราเอ๊มอยู่วงไหนกันแน่เราเนี่ยนะเป็นเนี่ยถ้าถ้าจะเป็นสมัยพุทธกาลถ้าเราจะไปขออยู่กลุ่มเนี่ยขออยู่กลุ่มพระสารีบุตรหรือไม่ก็ดูว่าเออถ้าอยู่กลุ่มพระสารีบุตรก็ดูว่าชอบอ่านปฏิสัมพิธามรักไหมชอบจุลนิเทศชอบมหานิเทศไหมถ้าไม่ชอบกลุ่มนี้แสดงว่าอยู่กับพระพระสารีบุตรไม่ได้ อ่านอนุมานสูตรดูสิชอบพระโมคคัลลานะจริงหรือพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านขัดเกลาจริงเลยนะจะไปคิดแหมคนเหาะได้แล้วสบายเนี่ยนะไปแกล้งใครที่ไหนก็ได้เนี่ยนะไหมพระโมคคัลลานะขัดเกลานะโอ้พระหมากระสปาเนี่ยสิทู่ดงทำด่างท่านได้ไหมบอกอพรานนท์นี่แหละบอกปิดกสามนะเอาไหมเออเราเนี่มันลูกหลานใครกันแน่ลังถามด้วยนะถ้าลูกหลานพวกคัดค้านทำวิ่นายก็เนี่ย ก็มีอสองกลุ่มกลุ่มหลวงตาเทวทัตเนี่ยนะกับกลุ่มหลวงตาสุภัทธะเนี่ยนะก็ดูเอาว่าของเรานี่อยู่วงไหนเนี่ยนะวงไหนแปลว่าตระกูลไหนสายพันธุ์ไหนสายอริยะหรือว่าสายอาบาก็มาคัดคัดเนี่ยนะจริงๆเนี่ยถ้าเราสังเกตตัวเราเองสักเล็กน้อยเนี่ยก็ตอบได้แหละถ้าอยากเข้าข้างตัวเองอะนะ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 ก็มีเรื่องเล่าเขาบอกว่าต่อไปนะแกะจะอยู่เต็มเมืองเสือจะหลบหลบซ่อนซ่อนเขาอกงั้นในยุคต่อ ต, อตอไปคนที่ประพฤติดีตามธรรมวินัยจะคอยคอยหลบหลบซ่อนๆคนที่ไม่อยู่ในธรรมวินัยเนี่ยจะกลางเขาเรียกว่าอำนาจ บ, บาดโตเหลือเกินเนี่ยนะมัมีบางองค์ก็คล้ายแบบนั้นแม้รู้จักเราน้อยไปเขาบอกงั้นเขาก็รู้จักอยู่แล้วว่าพวกที่ถูกชาติชรามมรณะกลุ่มรวมเนี่ยนะแต่โอ้ยเนี่ยนะไม่รู้บวชเข้ามาได้ยังไงไม่ทราบ น, นะบวชเข้ามาแล้วกลางจริงๆเลยนะ ลกลางก็ไม่กค่กลางด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาอะไรนะกลางด้วยอำนาจเนี่ยนะซึ่งตัวเองก็ไม่รู้ถูกคนอื่นก็ถอดวันไหนอีกก็ไม่ทราบเนี่ยนะซึ่งอไอความไม่เข้าใจเนี่ยทำให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจโลภโมโทสัน แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังกลืนอะไรเข้าไปคําพูดแต่ละคำเนี่ยพูดอะไรออกไปมีสามัญญาสานึกไหมสามัญญาสานึกดีชั่วบุญบาปมีอยู่ในใจจริงหรือเปล่าถ้าที่ใดมีบุญที่นั่นก็ใกล้ต่อบาปถ้าเข้าใจถูกต้องก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ถ้าเข้าใจผิดพลาดละ่ะก็เป็นไปเพื่อทุกและพโทษพันเราต้องพยายามระวังว่าทําอย่างไรเราจะไม่เสียหายทั้งในปัจจุบันชาตินี้แลย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 ถ้าฝ่ายอธรรมวาทีคนที่พูดไม่เป็นธรรมยังไม่มีกําลังฝ่ายธรรมวาทีก็จะไม่อ่อนกําลังฝ่ายอะวินยาวาทียังไม่มีกําลังฝ่ายวินยาวาทีก็จะไม่อ่อนกําลังเพียงใดเราจักสังขยนาพระธรรมวินยัยเพียงนั้นคือตอนนั้นเนี่ยผ้าธรรมทั้งหลายมีบทบาทเต็มที่ทุกคนพากันเคารพยกย่องผู้ใดที่พระพุทธเจ้ายกย่องไว้ตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่ท่านเหล่านั้นได้รับการ ยกย่องทั้งหมดคนชั่วอย่างหลวงตาสุภัท t h ก็เป็นหลวงตาพระแก่รูปหนึ่งที่ไม่มีบทบาทไม่มีอํานาจก็เรียกว่าก็เรียกว่าอะไรนะเงียบไปะนะติดตามขาบวนเข้าไปอย่างนั้นแหละกลายเป็นคนชั่วร้ายที่ไม่มีอํานาจบทบาทหน้าที่อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีสิทธิ์ออกเสียงออกความเห็นอะไรแม้แต่นิดเดียวนะก็เรียกว่าเป็นอ่าเป็นตัวอั ป, ปลักษ์ตัวหนึ่งที่อยู่ในนั้นเท่านั้นเองไม่มีบทบาทไม่มีอํานาจอย่างที่อ่า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 คนเหล่านี้ก็จะไม่อาจเงยศีรษะได้พระศาสนาคือที่อธิศีนที่ จ, จิตอธิปัญญาที่เป็นพระวินยัยพระสูตรภระพิธรรมก็จักถึงความแพร่หลายพอคําพูดอันนั้นของหลวงตาสุภัททะเนี่ยนะคำพูดนิดเดียวนะแต่ไม่นิดเดียวนะแต่ว่ามันนิดเดียวแบบแม้ว่าอะไรนะเอามีดกรีดคอนหน่อยเดียวนะลึกเข้าไปแค่ไม่กี่นิ้วเองอนะอันนี้แค่แค่นี้ก็พร้อมที่จะตา ย, ยแล้วใช่ไหม มันอาจจะมีดเล็กๆก็ช่างแต่ถ้ากรีดคอขาแล้วมันยังไงมันก็รอดไม่รอดคาพูดของลวงตาสุภัทะก็เหมือนกันแม้แม้เราพ้นดีแล้วจากอะไรพ้นดีแล้วจากพระหมหาสมณนะเพราะฉะนั้นต่อไปนะเราอยากพูดอะไรก็พูดอยากทำอะไรก็ทำถ้าเราไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำอะไรจะเกิดขึ้น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 สำหรับช่วงนี้ก็พักกันสักครู่ก่อนนะเช่นกั